เลิญทอดท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่18ปกรกฎาคมพุทธศักราชส5 5 5เป็นวันพระวันธรรมัาสนะวันชำระกายวาจาใจให้สะอาด เพราะการชำระกายวาจาใจให้สะอาดนั้นนำมาซึ่งความสุขและความเจริญความเป็นสิริมงคลทั้งหลายการกระททางกายทางวาจาและทางใจของเราถ้าไม่ได้รับการชำระอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้กายวาจาใจเราสร้าหอ มีความทุกข์มีความวุ่นวายใจมีความเดือดเนื้อร้อนใจกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าได้รับการชำนระอยู่อย่างเสมอๆก็จะทำให้มีความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าการกระทำทางกายวาจาใจของเรา ก็เป็นเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่แล้วเราก็ออกไปทําภารกิจการงานต่างๆหลังจากกลับมาบ้านเราก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเนื่องจากเสื้อผ้าก็ต้องมีความสกปรกต่างๆติดมาถ้าจะสวมใส่ต่อไปก็จะไม่น่า ไม่น่าดูไม่น่าใส mm hmm. เราก็ต้องเปลี่ยนเราเอาชุดที่ใสแล้วไปชำระไปล้าไปทำความสะอาดไปซักล้างให้สะอาดฉันใดการกระทำทางกายกทางวาจาใจของพวกเราก็หลังจากที่เรานำมาไปใช้กับภารกิจการงานต่างๆ การทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องการกระทำทางกายวาจาใจของเราก็มักจะไปเปิดไ ป, ไปเปเปืเป้อนกับสิ่งเศร้าหมองคือกิเลสตัณหาหรืออกุศลต่างๆเราจึงต้องเข้าวัดอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อมาชำระกายวาจาใจให้สะอาด พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติวันพระขึ้นมาวันพระก็เป็นวันที่ให้ญาติโยมหยุดภารกิจการงานทางโลกการคุกเข้ากับอาุสมิต่างๆแล้วให้มาเข้าที่ชําระมาวัดเหมือนกับเอาเสื้อผ้าไปเข้าเครื่องซักมาวัดวันนี้ก็เป็นเหมือนเครื่องซัก กายวาจาใจของเราให้สอาดสิ่งที่เราจะใช้ซักอักษุสงหรือกายวาจาใจที่ไม่สาดนี้ก็มีอยู่เช่นการทาบุญให้ทานการรักษาศีลการภาวนาหรือการทาดีละบาปชำระใจให้สะารโดยสุ หรือการเจริญศีนสมาธิปัญญานี่คือเครื่องสักกายวาจาใจให้สาสิ่งที่ต้องชำระทางกายนั้นมีอยู่สามประการด้วยกันเรียกว่าอกุศลทางกายคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การกระทำผิดโดยนิเราจึงต้องมา สมาทานสิ้นห้ากันมาละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจากการรักษาจากการประพฤติผิดบระวณีถ้าเรารักษาศิ้นห้าได้รักษาศิ่งสามข้อนี้ได้ mm hmm. ก็เท่ากับเราได้ชำระการกระทำทางกายของเราให้สะอาดไม่ให้มัวมองไม่ทำไม่ให้ทำให้จิตใจของเราเสือ่อม หรือตกต่ำไม่ให้สร้างความทุกข์ให้แก่ใจของเราอากัสรทางวาจาก็มีอยู่4ประการด้วยกัน4ข้อด้วยกันคือ 1. การพูดปด 2. การพูดคำหยาบการพูดเพอ้อเจอ้อสการพูดส่อเสียดยุยงให้เกิดความแตกสามาคัคคีนี่คือการกระทาทางวาจา ที่เป็นอกุศลคือไม่ชลาทำไปแล้วทำให้เกิดโทษขึ้นมาดังนั้นเราจึงต้องมาสมาทานสีลข้อที่4คือการละเว้นจากการพูดปดแล้วก็แถมด้วยการละเว้นจากการพูดคำหยาบละเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อละเว้นจากการพูด ออส่อเสียดคื อ, อยุยงให้ผู้อื่นเกิดความแตกแยกสามัคคีกันการกระทำนี้เป็นการกระทำที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ความเสื่อมเสียไม่ได้นำมาซึ่งความเจริญส่วนอกุศลทางใจก็มีอยู่อีกสามข้อด้วยกันคือ 1. ความโลภ 2. ความโกรธ 3. ความหลงนี่คืออกุศลทางใจที่จะทำให้ใจเศร้าหมองทำให้ใจว้าวุ่นผุ่นวัวทำให้ใจไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์มีแต่ความไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติวันธรรมั ส, สวราเพื่อให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัท ได้เข้ามาวัดเพื่อมาชำระกายวาจาใจให้สะอาดด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาทำใจให้สะอาดโดยสุดทางกายทางวาจาเราก็ใช้ศีลห้าหรือศีลแปดเป็นเครื่องชำระสัพ่อ อภิสมุทางกายทางวาจาส่วนทางใจเราก็ใช้การภาวนามีสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาเป็นเครื่องช่งางใจให้สะอาดถ้าเราช่งางได้แล้วใจของเราก็จะผ่องใสใจของเราก็จะมีความจเจริญ มีความสุงสงบมีความสุ ข, ส ข, มสขไม่ต้องไปหาความสุขจากภายนอกความสุขภายในที่ได้รับจากกาชลาร่างกายวาจาใจาให้สะอาดนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ลดแห่งธรรมชนะรดทั้งปวงลถแห่งธรรมก็คือลดของควาสมสงบ สุขของใจที่เกิดจากการชำระอกุศลทั้งสิบประการนี้ให้หมดไปนั่นเองสาเหตุที่พวกเราไม่ค่อยมีความสุขทางจิตใจนนะก็เพราะว่าเราไม่หมั่นชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริบสุทธินั่นเองเรามักจะ ทาการกระทาที่เรียกว่าอากุศลเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเศษชราพูดปดพูดคำหยาพูดเพอเจอ้อพูดส่อเสียงแล้วก็ทางใจก็คิดแต่โลภโกรธหลงใจของเราจึงหาความสุดไม่ได้ ถึงแม้ว่าเราจะหาทรัพย์ภายนอกมาได้มากมายกายกองมีเงินมีทองเป็นร้อยล้านพันล้านมีตำแหน่งต่างๆเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายมีคนยกย่องสรเรเสริญประกาศเกียรติคุณต่างๆให้แก่เราแต่ใจของเรากลับไม่มีความสุขเพราะว่า ใจจะสุขได้ก็ต่อเมื่อใจต้องชำระได้รับการชำระอกุศลเครื่องเสาวงต่างๆให้หมดไปจากใจนั่นเองผู้ที่มาวันแล้วมาสมาทานศีลมาภาวนามักจะเป็นผู้ที่มีความสุขมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ รักษาศีลไม่ได้ภาวนาพอเหตุของกวาสุขใจก็อยู่ที่การรักษาศีลอยู่ที่การภาวนานั่นเองดังนั้นพวกเราจึงควรให้สำคัญต่อการมารักษากายวาจาใจชํานร่ ก, กายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งกว่าให้ความสำคัญต่อ สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่สามารถให้ความสุขใจแก่เราได้มีแต่จะให้ความทุกข์ใจกับเราเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นผลที่ได้มาจากการมีอกุศลทางกายทางวาจาหรือทางใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาด้วย อกุศลทางกายทางวาจากายก็ต้องได้มาด้วยอกุศลทางใจคือต้องมีความโลภคนที่จะร่ำรวยมียศมีตาแหน่งมีอะไรมากๆนี้ส่วนมากมักจะเกิดจากความโลภความอยากได้ไม่มีความนักน้อยสังเดิรจึงมี ความโลภอยากได้สิ่งต่างๆพอได้มามากๆแทนที่ความโลภจะน้อยลงไปกับมีเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะมีความอิ่มกับมีความหิวมีความอยากมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นการที่มีสมบัติมากๆมีตำแหน่งสูง มีคนโยกโย่องสรรเสริญในไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทําให้จิตใจของเรามีความสุขยกเว้นผู้ที่ได้มาด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจเช่นพระขีนาศุขคือพระอารหันต์ทั้งหลายหรือพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านไม่ได้ได้สิ่งต่างๆมาด้วยความโลภ เช่นลาบส ก, การะาต่างๆไม่ได้มาด้วยความโลภได้มาด้วยความศรัทธาของผู้ที่เห็นคุณค่าของการที่ได้ทำบุญกับพระอรหันต์ทำบุญกับพระพุทธเจ้าท่านได้ลาบส ก, การะมาด้วยความดีงามไม่ได้ด้วยความโลภแล้วท่านก็ไม่ยึดติดกับ ราบสักการะที่ท่านได้มาได้มามากได้มาน้อยก็ไม่มีความอยากที่จะได้ให้มากขึ้นไปอีกได้อะไรมาก็รับเอาไว้ถ้าใช้ได้ก็เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับรักก็ดีสำหรับตนเองก็ดีถ้ามีมากเกินไปก็จะเอาไปสงเคราะห์โลกต่อไป เอาไปช่วยเหลือตามสถานที่ต่างๆที่อดอยากขาดแคลนที่ต้องการความช่วยเหลือนี่คือความแตกต่างของผู้ที่มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิกับผู้ที่มีจิตใจที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์มีอกุศลฐานใจอยู่สามประการ คือความโลภความอยากได้ความโกรธเมื่อไม่ได้ดังใจก็เกิดความโกรธขึ้นมาความหลงก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความโลภนั่นเองไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเกิดจากการไม่โลภเกิดจากการไม่โกรธแต่ความหลงจะหล่อให้เกิดความโลภขึ้นมาก็เกิดความโลภ ก็เกิดความหงุนหงิดลำคานใจเกิดความเศร้าซ้อยหงอยเหงาเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วก็เลยต้องไปทําตามความอยากเช่นคนอยากจะดื่มสุราพอเกิดความอยากขึ้นมาใจก็จะมีความหงุดหงิดมีความลำคานใจถ้าไม่ได้ดื่มสุราก็จะไม่ หายจากความหงุดจากความหุดหงิดจากความนำคานใจก็เลยต้องไปหาสุรามาดื่มโดยที่ไม่รู้ว่านี่ไม่ใช่เป็นวิธีดับความหงุดหงิดนำคานใจที่แท้จริงดับได้ก็เพียงชั่วคราวชั่วขณะที่ได้ไปดื่มสุราตามความอยากแต่หลังจากนั้น ไม่นานความอยากดื่มสุราก็จะหวนกลับคืนมาอีกก็ต้องไปดื่มสุราอีกก็จะต้องทำอย่างนี้ไปจนวันตายและจะตายก่อนคนที่เขาไม่ดื่มสุราเพราะสุรานี่เป็นยาพิษเป็นยาเ ป, นเป็นสารพิษที่จะเข้าไปทำลายอวัยวะต่างๆ เช่นตับไตให้เสื่อมให้หมดสภาพไปเร็วกว่าที่จะควรปเป็นไปนี่คือโทษที่ของการดื่มสซดาที่เกิดจากความหลงที่ไม่รู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การดื่มสุราความสุขอยู่ที่การไม่อยากดื่มโซดาความสุขอยู่ที่การชำระความโลภ ความอยากต่างๆทุกครั้งที่มีความโลภความอยากต่างๆจะต้องฝืนใจจะต้องต่อสู้กับความโลภ ก, กับความอยากด้วยการเจริญภาวนาการภาวนานี้เป็นเหมือนอาวุธที่มีไว้ต่อสู้กับสัตวจูฆ่าสึคือความโลภความอยากความโกรธถ้าเราภาวนาเป็นคือถ้าเรา ภาวนาสมถะภาวนาเป็นเราภาวนาวิปัสสนาภาวนาเป็นเราจะมีอาวุธเหมือนกับทาหารที่เข้าสู่สถามรบเวลาปเผชิญหน้าต่อข้าสุกศัตรูก็จะมีอาวุธไว้ต่อสู้ไว้ทําลายศัตรูคู่ต่อสู้ได้ ถ้าเข้าไปในสนามรลโดยไม่มีอาวุธก็จะถูกคู่ต่อสู้ฆ่าตายได้จันใดผู้ที่ปรารถนาที่จะชำระอกุศลทางใจคือความโลภความโกรธความหลงจำเป็นจะต้องเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ขั้นต้นท่านสอนให้เจริญสมถะภาวนาก่อนคือทำใจให้หยุดก่อนถ้าใจหยุดนิ่งได้ความโลภความอยากก็จะไม่สามารถทำงานได้ความโลภความอยากนี้ต้องอาศัยใจที่ไม่นิ่งใจที่คิดอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาใจคิดแล้วก็จะคิดอยากเรื่องนั้นอยากเรื่องนี้ อยากจะมีสิ่งนั้นอยากจะมีสิ่งนี้พอเราทําใจให้สงบให้นิ่งได้ความอยากก็จะถูกตัดกำลังลงไปถูกยุติไว้ชั่วคราวเพียงแต่ว่าไม่ไม่หยุดอย่างถาวรเท่านั้นหยุดเฉพาะเวลาที่ใจนิ่งใจสงบแต่ก็ดีกว่าต่อสู้กับความ โลกกับความอยากโดยที่ไม่มีความสงบเลยเพราะจะไม่มีวันที่จะเอาชนะความโลกความอยากต่างๆได้ด้วยการไม่มีความสงบของใจเป็นเครื่องสนับสนุนการสงบความสงบของใจนี้เป็นเหมือนการตัดกําลังของความโลกความอยากให้มันอ่อนลงให้มันเบาลง เพียงแต่ว่าไม่สามารถทำลายหรือคฆ่าให้มันตายได้จะ ต, ต้องอาศัยวิปัสสนาภาวนาเป็นเครื่องมือที่จะฆ่าทำลายความโลภความอยากอากุศลทางใจได้นะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำใจให้สงบให้นิ่งก่อนเรียกว่าจเจริญสมถทภ า, ภาวนา การจเจริญสัมมาทพาวนาก็ต้องหยุดความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยเพราะคิดเรื่อยเปื่อยแล้วก็จะเกิดความโลกความอยากตามมาเราจึงต้องใช้อุบายของการบริกรรมพุทโธพุทโธแทนที่จะปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยเราก็ให้คิดคำว่าพุทโธพุทโธไปภายในใจอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้คิดแต่คำว่าพุโทโธพุธโทโธไปความโลภความอยากก็จะไม่สามารถออกมาทำงานได้และถ้าเราต้องการที่จะหยุดความโลภความหยากเราก็ต้องนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธต่อไปถ้าเราอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่นานหนาที1 0นาที ใจเราก็จะรวมเข้าสู่ความสงบ พ, พอเข้าสู่ความสงบความโลภความอยากก็จะหายไปชั่วคราวตอนนั้นก็จะมีแต่ความสุขที่เลิศที่ประเสริฐกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้พอเราได้พบสัมผัสกับความสุขที่เลิศที่ประเสริฐนี้แล้วก็จะทำให้เรามีกำลังใจ ที่จะหยุดความอยากหยุดความโลภเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นไม่ได้ให้ความสุขกับเราเหมือนกับความสุขที่เราได้รับจากการทำใจของเราให้สงบพอเราออกมาจากความสงบพอเกิดความโลภความอยากขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ใช้วิปัสสนา ให้สอนให้พิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้หรือความสุขที่เราอยากได้นี้มันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์เอาไว้เป็นเหมือนยาขมเคลือบน้ำตาลได้อะไรมาใหม่ๆก็จะมีความสุขมีความดีใจแต่ไม่นานพอ อยู่ไปกับเขาสักระยะหนึ่งก็จะเกิดความชินชาเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาหรือถ้าเกิดเขาสูญหายไปความสุขที่ได้จากสิ่งที่เราอยากได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วถ้าเขายังไม่เสือ่อมไม่เสียยังให้ความสุขกับเราเราก็จะเกิดความทุกข์เนื่องจากเราจะมีความวิตกกังวล หวงหวักลัวว่าสิ่งที่ให้ความสุขกับเราจะหมดไปจะจากเราไปเช่นเงินทองเวลาที่เราได้มาเราก็มีความสุขใจดีอกดีใจแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะเกิดความห่วงความวมิตกกว่าเงินทองที่เรามีใช้อยู่นี้เราจะมีใช้ไปได้ตลอดหรือไม่จะมีใช้อยู่เรื่อยๆหรือเปล่า จะหมดไปมเมื่อไรถ้าเกิดสูญหายไปหรือหมดไปเช่นคนที่สิ้นเนื้อปราดาตัวหมดเนื้อหมดตัวไม่มีเงินไม่มีทองตอนนั้นความสุขที่เคยได้ร่ำจากเงินทองก็จะกลายเป็นความทุกข์กลายเป็นอาวุขึ้นมาเพราะจิตใจจะต้องมีความทุกข์ภานานใจอย่างยิ่งเพราะเมื่อก่อนได้อาศัยเงินทองเป็น เครื่องมือให้ความสุขเป็นเครื่องมือซื้อความสุขต่างๆให้แต่ตอนนี้ไม่มีเครื่องมือที่จะซื้อความสุขแล้วจะทำอย่างไรก็เลยคิดจะฆ่าตัวตายเท่านั้นนี่คือความทุกข์ที่เราต้องพิจารณาให้เห็นไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญหรือความสุขทางตาหูจมูกขึ้นกายเช่นสุขกับคนนั้นสุขกับคนนี้ เวลาเราอยากอยู่กับใครเช่นเราเป็นโสดและเรารู้สึกมีความห ว, ว, วังเหงาว้าวเวเราก็คิดว่าถ้าเรามีคู่ครองมีแฟนเราจะมีความสุขแต่พอเราได้แฟนมาแล้วนอกจากความสุขเราก็จะได้ความทุกข์เพราะอาจจะต้องทะเลาะวิวาทกันหรืออาจจ ะ, ะพัดพลาคจากกัน หรือเขาเปลี่ยนไปเวลาได้กันมามันใหม่ก็รักกันดีแต่อยู่ไปนานๆเขาเริ่มเปลี่ยนนิสัยไปแทนที่จะรักเรากับไม่รักเราแทนที่จะให้ความสำคัญกับเรากับไม่ให้ความสำคัญกับเราตอนนั้นความสุขที่เราได้จากเขาก็จะกลายเป็นความทุกข์ปนี่คือความจริงเพราะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนในโลกนี้ แล้วไม่มีอะไรที่เราจะไปบังคับไปควบคุมไปสั่งให้ให้อยู่กับเราให้ดีกับเราไปได้ตลอดนั่นเองนี่คือวิปัสสนาให้เราพิจารณาทุกครั้งที่เราอยากจะได้อะไรมาให้ความสุขกับเราถ้าเราพิจารณาเห็นความทุกข์ที่เราจะได้มาเราก็จะได้หยุดความอยากได้เพราะสู้อยู่เฉยๆดีกว่า สู้กลับเข้าไปในสมาธิดีกว่ากลับไปเข้าไปหาความสงบภายในใจของเราจะดีกว่าอพอเราตัดความโลภตัดความอยากได้ความสุขที่เราเคยได้จากสมาธิจากความสงบก็จะกลับขึ้นมาเลยไม่จำเป็นจะต้องนั่งสมาธิเหมือนเมื่อก่อนเพราะเรามีแล้วเพียงแต่ว่า ถูกความอยากนี้ทําลายไปชั่วคราวพอเราหยุดความอยากได้หยุดความโลภได้เท่านั้นเองความสุขที่เริศที่ประเสริฐก็จะโผล่ขึ้นมา ท, าทันทีนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการเจริญวิปัสสนาภาวนาถ้าเจริญแต่สมถะภาวนาอย่างเดียวก็จะได้ความสุขในขณะที่นั่งสมาธิเท่านั้น แต่พอออกมาจากสมาธิแล้วพอมาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาก็จะทำให้ความสุขที่ได้จากสมาธินี้หายไปแต่ถ้าเราจะเรียนวิปัสสนาภาวนาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราโลภอยากได้นี้ไม่เป็นสุขแต่เป็นทุกข์มากกว่า พอเห็นอย่างนั้นเราก็จะหยุดความโลภความอยากได้พอหยุดได้ความสงบสุขก็จะกลับคืนมาทันทีโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิหลังจากนั้นแล้วเราไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ถ้าเราสามารถกำจัดความโลภความอยากให้หมดไปจากใจได้แล้วเช่นใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันต์ทั้งหลาย ท่านไม่ต้องเข้าสมาธิท่านอยู่ตรงไหนท่านก็มีความสุขตลอดเวลาเพราะใจไม่มีความโลภความยาวไม่มีความโกรธไม่มีความหลมนั่นเองต่างกับใจของพวกเราที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเป็นเหมือนสุนัขขี้เรือนต้องคอยเกาแผลขี้เรือนอยู่เรื่อยๆเพราะมันขันนั่งอยู่เฉยๆไม่เป็นสุข ต้องหาอะไรมาดูหาอะไรมาฟังแล้วดูเท่าไหร่ฟังเท่าไหร่แล้วมันหายคันมมันยังอยากมันหายอยากไหมมันก็ไม่หายยิ่งดูก็ยิ่งอยากยิ่งฟังก็ยิ่งอยากเหมือนกับสุนัขขี้เลือนยิ่งเก่าก็ยิ่งคันใหญ่เพราะมันจะบรรจยเป็นแผที่ทานที่มันจะคันมันเจ็บมันเจ็บเสียแล้วเพราะมันเป็นแผยิ่ง ยิ่งกา่ายิ่งเท่าไหร่แผลมันก็เวะแวกขึ้นไปเท่านั้นฉันใดใจของพวกเราก็เป็นเหมือนสุนัขขี้เลือนนเองมีแผลคือความโลภความอยากแทนที่จะหยุดความโลภความอยากพวกเรากลับทําตามความโลภความอยากยิ่งทําตามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมากขึ้นไปเท่านั้นดังนั้นเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านรักษา แผลขี้เลื่อนของท่านได้ร้วแต่พวกเรายังรักษาแผลขี้เลื่อนของพวกเราไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าจึงต้องบัญญัติวันพระขึ้นมาเพื่อให้พวกเราได้เข้ามารักษาแผลขี้เลื่อนนี่เองด้วยการมาชำระอกุศลทั้ง1ิ ป, ประการคือชำระอกุศลทางกาย คือการค่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดโดยนี้อกุศนทางวาจาคือการพูดโกรการพูดคำหยาบการพูดเทอเจอร์การพูดส่อเสียดและชำระอกุศนทางใจคือคือการความโลภความโกรธความเหงาด้วยการทำบุญละบาปและชำระใจให้สะอาดบริสุทธ ด้วยสมถภ า, าวนาและวิปัสนาภาวนาดังนั้นขอให้ท่านจงเชื่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเถิดเพราะเป็นความจริงเป็นเหตุที่จะทําให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์และได้พบกับความสุขที่แท้จริงถ้าเราไม่เชื่อเรายังดําเนินชีวิตของเราแบบแบบเดเดินอยู่เราก็จะพบกับความทุกข์ กับความวุ่นวายใจไม่มีความสิ้นสุดจึงขอฝากเรื่องของการาวัเพื่อมาํำละกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิพจน า, าและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้